เมื่อเตรียมตัวเสร็จระพินก็นำทางเกณฑ์ลูกหาบของเขาไปเกือบหมดเพื่อให้ทำหน้าที่ไร่ลาวคงเหลือไว้แต่ส่วนน้อยให้เฝ้าแคมป์และจัดเตรียมหุงหาอาหารเมื่อทุกคนเดินผ่านลงมาที่ราทางก็เห็นแง่ทรายกับลูกหาบอีกสามคนกำลังช่วยกันถรกหนังหมูป่าและกวางอยู่อ้าวแง่ทรายไม่ไปช่วยไล่เลียงผาหรือเชษฐาทักยิ้มยิ้ม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 ไหนรองบอกกติกา ม, มาสิฉันจะท่องยิงอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรมากแล้วพีนตอพู่น้วนโดยไม่ได้หันมามองดูหน้าเอนกายลงนอนหงายขว้ห้างอย่างสบายใจตาจับอยู่ที่ชนีซึ่งโหนนิ่งอยู่บนยอดไม้สูงลิปเหเนื้อสีสักพอมันวิ่งออกมาให้เห็นคุณหญิงก็ยิงเอาได้ตามถนัดสำคัญอย่างเดียวคือถ้ามันวิ่งเลยระดับของต้นตะเคียนใหญ่นูน่น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 ฉันจะฟ้องพี่ใหญ่เพื่อไล่ผมออกจากการเป็นลูกจ้างนะหรือครับรพินถามเรียบเรียบมาจากอาการนอนอยู่เช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนหญิงสาวเม้มดิมฝี่ปากอึ้งไปจอมพรานค่อยๆชันกายขึ้นนั่งมองด้วยสายตาเฉยเฉยมายังหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยกล่าวต่อมาว่าบังเอิญหรือเกินครับคุณหญิงบังเอิญที่ผมไม่ได้ศึกษาในทางมนุษยวิทยาสิด้วย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 หันมาเสือกปืนพรวดส่งไปให้เขาผู้ยืนยิ้มยิ้มอยู่พูดด้วยเสียงแหวะอา้าวไหนในพานผู้ยิ่งใหญ่ลองยิงให้ดูหน่อยสิฉันจะยิงถูก ย, ยิงได้ยังไงมันกระโจนกันเรวยิ่งกว่าลิงแล้วก็มองไม่เห็นศูนย์กล้องนี่เลยจับมันไม่ทันนพิน ร, รับปืนมาอย่างเยือกเย็นแกลงพูดยั่วต่อมาว่านั่นนะสีก็ใครใช้ให้ใช้ปืนแบบติดศูนย์กล้องล่ะศูนย์กล้องนะ่ะเขาเอาไวย้ยิงเป้ากระดาษ ยิงสัตว์ทุ่งโล่งในระยะไกลที่มันยืนเป็นเป้านิ่งให้หรือมิฉะนั้นก็เอาไว้รอบฆาตกรรมไม่ต้องพูดมากคุณว่าชิ้นยิงผิดคุณก็ลองยิงให้ดูซิโดยปืนกระบอกนี่แหละจอมพานหัวเราะหึ่เอานิ้วแตะน้ำลายแล้วป้ายที่ปากกระบอกปืนทำยั่วล่อนพร้อมกับตะวัดปืนขึ้นประทับบ่าพึมพำเบาๆ เ, เอผมก็ไม่เคยยิงปืนผู้ดีชนิดติดศูนย์กล้องราคาแพงอย่างนี้สิด้วย ถ้ามันผิดก็นึกว่าชาวโดวงไม่เคยชินกับอาวุธของชาวกรุงก็แล้วกันนะครับคุณหญิงเรียงผาตัวหนึ่งกระโดดเลี้ยวหนีมาจากด้านของชายยันเพ่นแผลวผ่านพุ่มไม้มาหเห็นในระยะประมาณ40เมตรระพินวาดํำกล้องปืนตามแล้วเหนียวกยปังเรียงผาตัวนั้นกระโจนทะรึ่งโดดตัวลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วร่วงลงมาฟุบนิ่งอยู่กับพื้นอีกสามตัวก็วิ่งกระเจิงให้เห็นไม่เป็นระเบียบผ่านมาอีกปัง รม่มอีกปังเหยื่อของกระสุนวิ่งไปได้สามสี่ช่วงก็สุดขาหน้าลงและอีกปังอันเป็นนัดสุดท้ายที่บรรจุในปืนกระบอกนั้นตัวใหญ่เขางามที่สุดพลิกตีรังกาไปอย่างน่าดูระพินภัยวานรถปืนลงหันมาหลีตาให้นายจ้างคนสวยของเขานิดหนึ่งแล้วส่งปืนคืนไปให้ดารินไม่ได้รับปืนแต่ยืนกอดอกเฉยหนางอจ้องหน้าเขาอ๋อแน่ละสิ ถ้าคุณยิงผิดเราจะจ้างคุณให้เป็นพรานนำทางมาหรือมันอาชีพของคุณอยู่แล้วนี่นะหล่อนแสดงนิสัยพรานอันเป็นธรรมชาติแท้จริงของเพศจอมพรานเบิกตานิดหนึ่งอย่างร้อเรียนหล่อนเพิ่งจะเห็นเขามีนิสัยขี้เล่นอย่างเงียบๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกผิดกับอาการเคร่งขึมเฮี้ยมเกรีย ม, มอันดูเป็นบุคลิกพื้นหน้าขออภยัยที่ลูกแกะบังอาจกวนน้าให้คุณนะดูสิ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 อา้าวลองดูใหม่สิครับไม่ถ้า ง, งาั้นเขาหันไปคว้าจุดสามเจ็ดห้าที่วางอยู่ข้างๆ ข, ข, ข, ขึ้นมาส่งให้รอนลองเอาไอ้นี่ยิงดูไหมครับมันเป็นศูนย์เปิดเลยง่ายหน่อยโอ้ยให้ฉันยิงจุดสามเจ็ดห้าน่ะรอบ้าจริงมันจะได้ถีบชั้นหกคเมนไปเนี่สิอ้าวแล้วกันไหนว่าเคยยิงจุดสี่ห้าแปดอฟริกันแมกนัมมาแล้ว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 อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับคุณหญิงเองก็เจตนาอยากจะลองล่าสัตว์อยู่แล้วถ้าลองใหม่อีกครั้งผมจะเอาใจช่วยว่าแล้วเขาก็ส่งปืนมาให้อีกครั้งหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยเจ้าทิ่ฐิยิ้มกรยกอเกรยรับปืนมาอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักพอเรียงผาอีกฝูงหนึ่งเริ่มจ ก, กระโจนมาให้เห็นหล่อนก็ประทับปืนขึ้นเลงแล้วเลงอีกแต่ก็ไม่ได้รั่นไกลสักทีในที่สุดก็ลดปืนลงโครงศีรษะบ่นอูว้ว่า มองไม่เห็นศูนแล้วิ่นเข้ามายืนกำกับอยู่ข้างหลังพูดปลอบใจและสอนให้โน่นครับกระโดดมาโน่น no อีกสองตัวอย่าวาดปืนดักหน้ามันเข้ามาสิครับวาดตามหลังไปก่อนแล้วเลยหน้ามันไปมประมาณสักช่วงแขนรอจังหวะที่ว่ามันกระโดดขึ้นอีกครั้งอ้าวยิงหล่อนเหนียวไก่ปังเลียงผาเจ้ากรรมตัวนั้นม้วนคว่ำลงไปอย่างน่าดู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 ดาลินยิงได้อีกสองตัวรวมทั้งหมดในแนวปืนรัศสมีของหลอนมีเรียงผาที่ยิงได้ถึงเก้าตัวสี่ตัวเป็นการยิงในชุดแรกของเขาชนิดตัวระนัดและห้าตัวหลังเป็นฝีมือของหม่อมและจวงดาลินโดยปล่อยให้รอดไปได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบตัวมันเป็นสัตว์สี่เท้าที่ฉันยิงได้เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมีคุณเป็นครูสอนหลอนหันมาบอกเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยินดี ดูเหมือนจะลืมเรื่องทะเลาะเมื่อครู่ไปเสียอย่างสนิทเมื่อการไล่าราวยุติลงและพวกไล่เข้ามาสมทบเก็บพวกเกลียงผาที่ถูกยิงล้มไว้เข้ามารวบรวมบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานอีกครั้งพวกนั้นช่วยกันแบกหลังแอมีเรียงผาที่ยิงได้ทั้งหมดถึง20สิบเป็นฝีมือของเช่ดถาเสียหตัวและฝีมือของชัยยานผู้ที่ทั้งทั้งที่ใช้ปืนลูกซองอีกห้าตัว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 ผิดกับวัวหรือสัตว์บ้านอื่นๆและยามไม่ อ, อยู่ในป่าเช่นนี้ควายย่อมจะรู้หน้าที่ของมันดีว่าจะต้องตื่นระวังภัยอะไรบ้างอันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถัดจากแนวร้อมของควายเข้ามาก็จัดพวกลูกขาบให้สุมไฟและนอนเรียงรายกันเป็นระยะใจกลางให้ขึงเต็นท์ใหญ่สำหรับคณะนายจ้างของเขาขึ้นเตียงสนามโตสนามตลอดจนเครื่องใช้อำนวยความสะดวกทุกชนิด ที่นําติดมาถูกนําออกมาจัดเตรียมพักพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงอย่างรวดเร็วคนรับใช้ประจำเต็นท์หม่อมราชวงศ์เชิดาแสดงความจํานงว่าจะขอตัวแงซ า, ายเพราะมีความไว้วางใจและถูกชะตาเป็นพิเศษระพินไม่ขัดข้องสั่งให้แงซ า, ายมาคอยรับใช้ประจำอยู่กับเต็นท์ของนายจ้างโดยเฉพาะตามความต้องการหน้าเต็นท์ก่อกองไฟใหญ่ไว้และกําหนดเวรยามผัดเปลี่ยนให้แก่พรานทั้งสของเขา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 แต่ไม่ถือเป็นกิจวัตรที่จะต้องปฏิบัติชนดิดพลาดไม่ได้เหมือนขณะที่อยู่ในบ้านในป่าเราไม่มีเวลาพอที่จะมาคำนึงหรือพิถีพิถันอยู่ในเรื่องนี้แล้วเคยสังเกตไหมเวลาคุณลองอาบน้ำทีปลาตายกี่ตัวหล่อนถามหน้าตาเฉยแล้วพินเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เชยถากับชายยันหันไปจุ๊ปากบนหญิงสาวพึมแล้วคุณหญิงจะได้ทราบจากตัวเองครับเมื่อเราเดินทางออกจากกลมช้างแล้ว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 โดยการเอายาออกมาแจกโดยบังคับให้พี่ชายและเพื่อนชายของหลอนกินมันเป็นยาประเภทสกัดไข้และป้องกันหวัดหลอนเดินแจกและบังคับให้กินแม้กระทั่งแง่ทายผู้ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูเต็นท์แล้วก็ตรงมาที่ระพินเป็นคนสุดท้ายจะเป็นการบังอาจและสูรู้เกินไปไหมถ้าหากฉันจะให้ยาสำหรับคุณก่อนนอนคืนนี้จอมพรานแบมือออกไปขอโดยดีแพทย์หญิงให้ยาแก่คนธรรมดา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 เสือมันไม่มีทางจะคาบเข้าไปกินได้หรอกแต่เสืออาจคาบน้อยไปก็ได้ถ้าน้อยอวดดีกับเขานักพี่ชายว่าเนิบเนิบสีหน้าคงระบายไปด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีน้องสาวยิ่งโมโหจัดร้องออกมาคนผีทะเลอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เพราะพี่ใหญ่โอบเอาอกกใจมากเกินไปถึงได้กล้ากําแหงกับน้อยได้ถึงเพียงนี้เมื่อตอนยิงเลียงผาบ่ายนี้ก็เหมือนกันทะเลาะ ก, กับน้อยไปตลอดทางยั่วโถดสว์ชมัด อ, อะไรก็ไม่รู้น้อยทำเป็นเด็กไปได้อย่าลืมว่าเรากำลังต้องพึ่งเขาอยู่นะและฉันก็เห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักที่สุดน้อยแต่หากคอยขวางเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลมันก็มาจากที่ว่าเราเอาแต่ใจเราสิจนเคยตัวนั่นแหละตลอดเวลาน้อยเคยพบแต่คนที่คอยแต่พนอเอาใจพริ้ซไปหมดทุกอย่างพอมาเจออย่างล้พีนข้าก็เลยคอมเมความจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุด แล้วก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษชีกร์ทั้งหลายอย่างที่เคยลมุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังน้อยมันหรอกเขาเป็นผู้ชายแท้ๆอีกแบบหนึ่งอยากจะรู้ว่าตะพานคนนี้มีอะไรดีนักทั้งพี่ใหญ่กับชายยันถึงได้เข้าข้างนักหญิงสาวกว็แทกเสียงแล้วสะบัดหน้าเดินเข้าไปที่ฉากก้านเตียงนอนของหล่อนเสียอย่างหงุดหงิดจะอย่างไรก็ตามหล่อนเปลี่ยนชุดนอนอันหรูหรามาอยู่ในเสื้ผ้าเสือสีดา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 เวลาผ่านไปเสียงเอะอเฮาของพวกลูกหาบข้างนอกเริ่มจัดซาลงเป็นลําดับจนกระทั่งเงียบหายกลายเป็นความสงัดเงียบเชี่ยววังเวงได้ยินแต่เสียงไม้ที่สุมไฟไว้ประทุแตกนานๆจะแว่วเสียงหมาป่าเห่าหอนแว่วมาแต่ไกลหล่อนไม่ง่วงเลยสนิดหญิงสาวสลัดผ้าห่มขนสัตว์ที่คลุมกายออกลุกขึ้นจากเตียงสนามคว้าเข็มขัดปืนสั้นที่วางอยู่หัวเตียงขึ้นมาคาดเอวสวมแจ็คเก็ตหนึ่งทับ ถือไฟฉายราศัสตร์ขนาดแปดท่อนติดมือแล้วก็เดินออกมาจากเต็น์อากาศเบื้องนอกยิ่งเย็นจัดไฟกองใหญ่ที่สุมอยู่หน้าเต็น์ลุกโพงส่องแสงสว่างเรืองรองร่างใหญ่ชะกันของแง่ทรายหนุ่มชาวดงพเนจรนั่งกอดเข่าอยู่หน้ากองไฟกำลังเสือกดุนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อเห็นหลอนเดินออกจากเต็น์ก็ลุกขึ้นยืนยิ้มรับนายหญิงยังไม่นอนอีกหรือครับ เสียงเห้าๆมีกังวานทักออกมาเบาๆดาลินยิ้มให้คนรับใช้พิเศษที่มาอาสาสมัครล่าสุดก่อนการเดินทางฉันยังไม่อยากนอนหอกแง่ทรายหล่อนผู้เสียงนุ่มกวาดสายตาไปรอบด้านที่มองเห็นกองไฟเรียงรายอยู่เป็นระยะและภาพเงาตะคุ่มของพวกกรุปหาบซึ่งนอนกันอยู่เกะ ก, กะไกลออกไปกว่านั้นเป็นความดามืดอันน่าสะเงกลัวของป่าสูงรอบด้านในยามวิการ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 หล่อนท่อสายตาตามแต่มองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาสรัววับแวมเสียงแงซายกล่าวต่อมานายหญิงออกมาทำไมครับดึกมากแล้วน้ำค้างป่าแรงเดี๋ยวไม่สบายดารินหัวเราะน้อยๆมองดูหนุ่มกะเหลี่ยงพเนจรด้วยสายตาแสดงความปราณีไม่เป็นไรหรอกแงซ า, ายฉันเป็นหมอเองฉันรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีอยากจะเดินเล่นสักหน่อยเธอจะไปกับฉันไหม โอ้เดินเล่นในเวลาอย่างนี้ฉันไม่ออกไปนอกบริเวณแคมป์ของเราหรอกจะเดินอยู่ในเขตกองไฟที่พวกเรานอนอยู่นี่แหละแงาสายดังเลอยู่อึดใจก็ไม่พูดอะไรอีกก้มหลงคว้าจุด4440คู่ชีพขึ้นมาถือไว้ดาลินเริ่มออกเดินทอดน่องไปช้าช้าหนุ่มกะเรี่ยงล่างยักษ์เดินตามไปเบื้องหลังอย่างสงบจะพูดด้วยก็ต่อเมื่อถูกถามเท่านั้น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 มีเสื้อแจ็คเก็ตชนิดหนาสวมอีกชั้นหนึ่งศีรษะพาดอยู่กับถุงข้าวสารหมวกสกรารใบที่เห็นสวมอยู่เป็นประจำข้อปิดอยู่ที่หน้าส่วนเท้าหันออกไปทางด้านป่าและส่วนศีรษะหันไปทางแคมป์ไรเฟิลคู่มือวางแนบตัวอยู่ทางด้านขวามือผู้กองมานอนอยู่นี่เองเสียงแง่ทายพึมพำออกมาเบาๆดาลินแก้งใช้ฝดฉายแปดท่อนที่ถืออยู่ในมือ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 ผู้กองค่ายแตกเดนตายน่ะหรือไหนลองเล่าซิเธอเคยช่วยชีวิตเขาไว้แบดยังไงดาดินพูดขันขันผมไม่ได้ช่วยชีวิตเขาโดยตรงหรอกครับนายหญิงผมเพียงแต่ระโอกาสที่จะฆ่าเขาเสียเท่านั้นค่ายหมีดำถูกร้อมด้วยโจรกระเหลี่ยงที่เหนือกว่าทั้งคนและอาวุธผู้กองตีฝาหนีออกมาทางด้านผมพอดีผมสั่งให้พลประจาปืนกลหยุดยิงจนกระทั่งเห็นเขาหลบพ้นวิถีกระสุนไป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 ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรยึดมั่นแรงกล้าพอที่จะสังหารชีวิตมนุษย์ชนิดที่มองเห็นการซึ่งซึ่งหน้าได้ลงคอโดยไม่จําเป็นผมเพียงแต่ถูกบังคับให้รบเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมสืบทรบมาก่อนผู้กองเป็นคนดีมากดียังไงหล่อนซักอย่างนึกสนุกโดยที่ผู้ถูกกล่าวขันถึงนอนกลนอยู่เบื้องหน้าเหมือนจะไม่รู้สึกตนว่ามีใครมายืนสนทนาค้าศีรษะอยู่ เสียงก่นของเขาได้ระดับอยู่เหมือนเดิมผู้กองเป็นคนยุติธรรมและมีวาจาเป็นสัจจะน่านับถือไม่มโหร้ายทารุณเหมือนนายตำรวจตะเวนชายแดนบางคนตำรวจเหล่านั้นแม้จะเพียงสงสัยว่าใครเป็นสายของโจรกะเหลี่ยงก็จะยิงทิ้งทันทีหรือมิฉะนั้นก็ทำทารุณไม่เพียงแต่พวกกระเหลี่ยงผู้ชายเท่านั้นมันเดือดร้อนไปถึงหมู่บ้านกะเหลี่ยงที่เป็นผู้หญิงด้วย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 เอ๊ะหล่อนอุทานสูงจ้องหน้ากระพริบตาทีๆแปลกนี่เธอรู้ด้วยหรือว่าฉันเป็นนักมนุษย์วิทยาถูกแล้วฉันเป็นแต่ฉันบอกไม่ถูกเลยว่าโครงล่างและลักษณะหน้าตาอย่างเธอเป็นชนเผ่าไหนคล้ายจะเป็นพวกไทยน่านเจ้าหรือพวกเจ้าของถิ่นสุวรรณภูมิเดิมหรืออะไรฉันก็ยังไม่แน่ใจเธอยังไม่ได้ตอบคาถามฉันเลยเท่าที่ผมจาความได้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 ใช้ไฟฉายสองอีกครั้งแล้วพึมพามเหมือนจะพูดกับตนเองดูเขานอนสิทุเรศทุเรศนี่น่เหรออดีตในร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนนักเรียนการทหารจากเยอรมนีปัจจุบันนายพลานใหญ่ชื่อก้องหลับไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าเสือมาย่องมาคาบก็ยังคงนอนกลนอยู่นี่เองกำมังพอเห็นตอนนอนแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นพรานได้ยังไงขี้เสาชะมัด อย่าว่าแต่เสือเลยมดสักตัวถ้าคานมาอย่างศัตรูก็จังจะต้องรู้สึกแต่ถ้าคนมายืนนินทาอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกหรอกครานจะฟังเสียงตอบเบาๆกระแสเสียงแจ่มสายรอดออกมาจากใบหน้าที่ครอบหมวกสกาดอยู่เสียงก่นคงได้ระดับอยู่เช่นเดิมหม่อมราชวง์หญิงดาลินดูมตาโตร้องอุทานออกมาอย่างตกใจหันไปจ้องร่างที่นอนเฉยกรนอยู่นั้นเอ๊ะยังไงกันนี่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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมลูกไม้แพลว อ, อย่างนี้มีอย่างหรือนอนกลอยู่ออกคลอกคลอกฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่หลับหลงพูดอะไรดินทาสีใหญ่หล่อนพูดปนหัวเราะอย่างถอนเฉียวครึ่งยิ้มครึ่งบึน้นแต่ระพินทําหน้าเฉยทฤษฎีอะไรอะไรในโลกนี้มาล้วนมีข้อยกเว้นทั้งนั้นวิชาแพทย์สอนให้คุณหญิงทราบว่าคนกลนก็คือคนหลับ แต่ทฤษฎีของนักต่อสู้สอนผมไว้ว่าอย่าไปเชื่อคนกลนว่าจะนอนหลับเสมอไปอ้องั้นก็แปลว่ากลนเอาเชิงงั้นสิก็ไม่ได้เอาเชิงอะไรหรอกมันเป็นธรรมชาติของผมอย่างนี้เองถ้ากลนไม่หลับท่านหลับไม่กลนคุณไม่ได้หลับเลยจะหลับอะไรลงล่ะมายืนค้ำหัวนินทาอยู่แจ้วแจ้วแจ้วอ้อก็เลยกลนต่อไป ดักฟังดูว่าจะนินทาอะไรมัง่งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่อยากจะลุกขึ้นมาขัดคอตะหักได้ยินหมดทุกอย่างที่ฉันพูดกับแงาซาย ถ, ถึงไม่ได้ยินโดยหูก็ได้ยินโดยพรายการะซิบอาวละได้ยินก็ดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างรอนยิ้มเย่ะถามอย่า ง, า ง, เ, าางเจตนาจะหาเรื่องจอมพรานยักไหล่เฉยเฉยหมายความว่าอย่างไงที่ว่าเฉยเฉยะ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 แล้วคุณชายกับคุณชายยันหลักหมดแล้วทำไมไม่เขียนวิทยานิพนธ์อยู่ในเต็นท์ทำไมไม่ฟังจานเสียงสเตอริโอที่เตีย ม, มารอนยิ้มเหนื่อยเหนื่อยหันมาสบตาเมื่อไหร่ถึงจะเลิกประชดชั้นสิทธีเปล่าแน่ด้วยความรู้สึกแท้จริงไม่ควรจะออกมาเดินตากน้ำค้างอย่างนี้ดารินสั่นศีสษะ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 สรุปไปนอนดีกว่าครับผมง่วงแล้วคุณเดินไปส่งชันสิปูโทแค่นี้เองเห็นเต็นท์อยู่โ น, น่นแง่ท า, ายก็นั่งกาอกองไฟอยู่ทนโท่ผมจะนอนละไม่ให้นอนต้องไปส่งชันจนถึงหน้าเต็นท์นี่เป็นคาสั่งเข้าใจอย่าลืมนะสองแสนบาทรับไปเรียบร้อยแล้วจะไม่บริการให้คุ้มค่าจ้างเงินลื้อขอรับกระผมเมื่อเป็นพระราชาสาวนีกระผมก็จะไิบัิตามคาสั่ง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 วิ่งหน้าตื่นมาตามเขาระผินพร้อมกับพานคู่ใจของเขาออกตามรอยในคืนนั้นพบแต่ศพชายผู้กาอร้ายถูกล่าเข้าไปซุกที่โขดหินซับซ้อนบริเวณหนึ่งห่างจากตำแหน่งเกิดเหตุเกือบหนึ่งกิโลเมตรเต็มๆท้องของศพเบะะิกวัะเครื่องในถูกลากออกไปกินหมดเขาแจ้งข่าวร้ายไปให้ในอัมพลผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรท์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 ก็ถือว่าคนเป็นศัตรูที่มันจ้องอาฆาตด้วยเร่เหลี่ยมไว้พิบอันชาต์ล้ําอย่างชนิดที่ก็น่าจะเชื่อตามที่ชาวบ้านพูดกันเหมือนกันว่ามันเป็นเสือสมิงละพินเองเคยติดตามมันมาเป็นเวลาแลมเดือนไอ้กุดเหมือนจะมีสัญชาตญาณรู้ดีว่ากา ร, รเผชิญหน้ากับจอมพรานอย่างละพินเป็นภัยกับมันเช่นไรเพราะฉะนั้นเขาจึงพบแต่รอย และผลของความย่อยยับล้มตายที่มันสร้างไว้เท่านั้นนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่พรานพื้นเมืองยืนยันว่ามันเป็นเสือผีสิงนายอัมพลตั้งสินบนไว้เป็นเงินหมื่นสำหรับพรานทุกคนไม่ว่าจะได้มันมาชนิดเป็นหรือตายเพราะคนของเขาร้ายคนต้องเสียชีวิตไปเพราะไอ้กุฏตลอดเวลาและพินเพียงแต่เฝ้ารอโอกาสเท่านั้น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 พอเดินมาอีกสักสองชั่วโมงก่อนที่พวกเราจะพบจงอางผมกับเซยก็เห็นมันหมอบดักดูขบวนเกวียนของพวกเราอยู่ลินจอมปลวกใหญ่ข้างต้นไม้ลม้มมันหมอบเฉยโผล่หัวมา น, นิดเดียวเกือบจะมองไม่เห็นเซยสงสัยยกปืนขึ้นพอตอนยกปืนนั่นแหละครับมันจึงหลบแว บ, บลงห้วยลึกไปผมกับเซยเข้าไปตรวจรอยเห็นรอยตีนของมันที่ย่ําไว้ตรงแอ่งน้ําแฉะก็แน่ใจนิ้วมันหายไปข้างหนึ่ง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 มันเกิดจากการย่ำน้ำเปียกชุ่มแล้วขึ้นมาเหยียบไว้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือรอยเล็บจากเท้าข้างหนึ่งขาดหายไปและมันก็เป็นเท้าหน้าด้านขวาอืมเป็นมันจริงๆนั่นแหละเขาคลางออกมาด้วยเสียงกระซิบภายหลังจากก้มลงพิจารณารอยตีนคุณนั้นอย่างถี่ถ้วนด้วยลำไฟฉายแล้วเงยหน้าขึ้นกราดไฟส่องผ่านไปรอบๆ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 แล้วเขาก็ไล่คนเหล่านั้นให้ไปหลับนอนโดยเหลือไว้แต่คนที่มีหน้าที่เฝ้ายามและเติมเชื้อไฟตนเองเดินตรงเข้าไปที่หน้าเต็นท์อันมีแง่ทายนั่งคุมผ้าอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟแสงไฟวอมแวมสาดจับเป็นเงาตะคุ่มเหมือนภาพปั้นแกจะนอนหรือไม่ไม่สำคัญแง่ทายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ไฟหน้าเต็นท์กองนี้มอดเป็นอันขาดแต่ผู้กองก็รู้ดีไม่ใช่หรือครับว่า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 ระพินอึง้งจ้องหน้าหนุ่มชาวโดงผู้พนเนจรบัดนี้ของมั่นใจแล้วว่าเจ้าหนุ่มแง่ทายมีสายตาและประสาทสัมผัสในเรื่องของป่าเฉียบไวแค่ไหนหมอทันและพร้อมต่อเหตุการณ์ทุกชนิดไม่ได้ด้อยไปกว่าจอมพานอย่างเขาเลยแกไม่ได้บอกฉันรู้เลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่บังอาจผมรู้ว่าพานใหญ่อย่างท่านย่อมจะต้องรู้ดีกว่าผมพวกลูกหาบของเราเห็นด้วยหรือเปล่า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 แกรู้เรื่องเสือตัวนี้ก็ดีแล้วชั้นอยากจะขอร้องแกอย่าพูดอะไรให้คณะเจ้านายและพวกคุกหาบของเรารู้คําสั่งทุกชนิดของท่านในการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมเคารพดีมากแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกรู้หรือเห็นอะไรผิดปกติในระหว่างการเดินทางของเราอย่านิ่งอมพนามเงียบเฉยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนอย่างที่แกปฏิบัติมาแล้วแต่จงบอกให้ฉันรู้ในทันที มิฉะนั้นฉันจะพิจารณาว่าแกมีแผนการร้ายต่อคณะเดินทางของเราแง่าสายไม่ตอบแต่เงยขึ้นยิ้มอวดฟันสองแถวและพินจ้องใบหน้านั้นอยู่อีกอึดใจก็ผ่าไปยังหุดหงิดคืนนั้นผ่านไปอย่างราบรื่อนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าขึ้นคณะนายจ้างทั้งสามตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกับปรี้กระเป๋าก่อนตะวันจะขึ้นเล็กน้อย พรานใหญ่ออกเดินสำรวจร่องลอยในระแวกใกล้เคียงกับแคมป์ที่พังอีกครั้งในเวลาใกล้ลุ่งพอกลับมาถึงแคมป์ก็เห็นหม่อมราชวงศ์ดารินแต่งตัวงามเก๋ตามเคยคนละชุดกับเมื่อวานมือถือปืนรุกกฎยาวแม็กนัมกระบอกกระทัดรัดเดินเกรออกไปนอกบริเวณแคมป์คนเดียวสวนกับเขาพอดีหล่อนทำท่าเหมือนจะไม่เห็นเขาเดินหลีกทางจะเข้าดงแต่ะปินพูดเข้าไปสกัดหน้าอย่างกระทันหัน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 ถ้าั้นดิฉันก็เลยขอกราบเรียนประธานอนุญาตจากท่านเสิด้วยนะจ๊ะคะหล่อนเน้นกระแทกเสียงรับผินโครงหัวช้าๆส่งจุดส7 5เจห้าที่ถืออยู่ในมือไปให้บุญคำพรานพื้นเมืองของเขาที่ยืนอยู่ใกล้ๆออกคำสั่งให้ทำหน้าที่เดินคุ้มกันหญิงสาวแล้วหันมาทางน้องสาวคนสวยหัวร้านของนายจ้างผู้ต่ำๆเอาละคุณหญิงจะเดินเที่ยวก็ได้แต่จะต้องมีพรานไปด้วยโปรดทราบไว้ให้ท่องแท้เสียทีว่า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 เขากลั้นหายใจค่อยๆหมุนตัวกลับมาหม่อมราชวงดาลินยืนจังก้าถือปืนอยู่หัวเราะแรมตะโกนมานี่แน่มันไส่นะักเมื่อไรจะเลิกสร้างสถานการณ์สร้างตัวเองให้เป็นคนสำคัญเกินกว่าเหตุเสียทีนะไปสิจะไปไหนก็ไปยังมาทำยืนจ้องหน้าอยู่อีกรระพินภัยวันก้าวเนิบๆกลับมาด้วยแววตาแข็งกระด้างหม่อมราชวงหญิงดาลินกระชากลูกขึ้นลากล้องอีกครั้ง เมื่อเขาเดินเข้ามาชิดก็ใช้ปากกระบอกปืนแย่อกไว้ยิ้มดุดุอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างถ้าปืนกระบอกนี้มันลั่นเปรี้ยงขึ้นอีกครั้งจอมพรานปัดปากระบอกปืนเฉยไปในพริบตานั้นพร้อมกับกระชากหลุดออกมาจากมือร่อนอย่างง่งายๆอะไรจะเกิดขึ้นน่ะหรือคุณหญิงก็กลายเป็นฆาตกรไปด้วยความเย่อหยิ่งอวดดีเท่าๆกับที่คณะของคุณหญิงก็หลงป่าตายกันอยู่นี่เองน่ะสิจะขอเตือนให้ทราบไว้ นักเล่นปืนที่ดีไม่ใช่สักแต่ว่าสามารถใช้อาวุธปืนได้ดีหรือยิงแม่นเป็นจับวางเท่านั้นจะต้องมีมารยาทในการใช้ปืนด้วยไม่ใช่เอาปืนมาเล่นในลักษณะเช่นนี้นี่ดีว่าคุณหญิงเป็นน้องสาวของคุณชายเชฐิฐาผู้เป็นนายจ้างของผมนะถ้าเป็นคนอื่นต่อให้โฉมงามหยากฟ้าราวันสักขนาดไหนถ้าทากับผมอย่างนี้ผมจะไม่สั่งสอนเพียงแค่คาพูดเท่านั้น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 ความจริงกะให้เจาะขมังนะ่ะมันพลาดไปถูกหมวกพลานใหญ่ไม่ได้โต้ตอบหรือหันกลับมามองใดๆทั้งสิ้นคว้าหมวกครอบหัวแล้วสาวเท้าดุมๆแยกไปโดยเร็วดาดินยืนเท้าเอลจ้องจนกระทั่งลับตาแล้วหันมาทางบุญคาผู้ยืนยิ้มยิ้มอยู่